มุ่มีความมุ่งหวังที่จะทำจิตใจให้หลุดพ้นจากเครื่องบีบบังคับและกดทัวงทั้งหลายย่อมเป็นผู้มีท่าทางแห่งความเพียรด้วยสติปัญญาะทาความเพียรกลมคืนไปอยู่โดยสมําเสมอไม่ใช่เป็นผู้ล่าหลัง ไม่ใช่เป็นผู้เคยเคยกินแบบโล ก, โลกแบบกิเลสกับความเพียรทั้งหลายแต่เป็นผู้ระมัดระวังอยู่เสมอการจะแวกว่ายตนเองให้หลุดพ้นจากสิ่งที่เคยบิดบังคับนั้นเป็นภาระอันหนักอยู่มากถ้าจะนำเรื่องกิเลสหรือจะปล่อย เปิดโอกาสให้กิเลสเข้ามาแทรกแสงในวงความเพียรแล้วไม่ว่าจะเป็นประโยชน์แห่งความเพียรใดจะเป็นไปด้วยความยุ่งยากวุ่นวายด้วยความรู้สึกภายในใจอยู่โดยสม่ำเสมอนี่เพิ่งทราบว่ากิเลสได้สวมรอยเข้ามาสู่วงความเพียรแล้ว จะเดินจงกรมก็ทำให้อิหนาละอาใจขี้เกียจขี้การ น, นั่นคือกิเลสเข้าทางานเข้าจิตขวามจะนั่งสมาธิเพื่อบังคับจิตใจให้เข้าสู่ความสงบเยงใจจากความวุ่นวายของกิเลสก็เกิดความท้อแท้อ่อนแอความท้อแท้อ่อนแอ น, นี้คือเรื่องของกิเลสแทรกอยู่ในนั้นในนั้นไม่ว่าจะเป็นความเพียรใน ียาบทใดวิธีการใดไม่พ้นเรื่องของกิเลสจะเข้าแทรกแซงอยู่จนได้เพราะสิ่งเหล่านี้มีอำนาจมากในหัวใจของสัตว์โลกจะพ่ออยางยิ่งในหัวใจของเราผู้เป็นนักปฏิบัติ <c oughs> จึงต้องต่อสู้ขัดขวางกันทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนเว้นเสียจะหลับเท่านั้นงานนี้ถ้าเป็นงานของธรรมแท้แล้วจะเป็นความ ออกพอใจเป็นความตะเกียกตะกายหลังรเพื่อความดูดพ้นโดยไถ่เดียวเรื่องความยากความลําบากทั้งหลายนั้นไม่เป็นอารมณ์ภายในจิตใจขณะที่ประกอบความเพียรในประโยคนั้นๆเลยนี่คือธรรมแท้เป็นอย่างนี้ทุกหรือไม่ทุกยากหรือไม่ยากความมุ่งหมายหรือความมุ่งมั่นเป็นหลักใหญ่ยิ่งกว่าความทุกข์ความลําบากทั้งหลายเหล่านี้นั่นคือความเพียรนั่นคือธรรมเรียกวิริยะธรรม ขันติธรรมหนุนเข้าไปท่านนักปฏิบัติตั้งหลายเมื่อไม่ได้ผ่านสิ่งเหล่านี้จะไม่ทราบว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอายแต่จะถือว่าเป็นมิตรเป็นสหายเป็นเลือดเนื้ออันเดียวกับความรู้สึกของเราที่คิดออกมาในแง่ต่างๆโดย่ายเดียวเท่านั้นไม่ทราบว่าสิ่งเหล่านี้คือตัวพิกตัวภายที่ถิงยึดแทกสิงอยู่ภ า, ายในจิตใจของเราเลย ผู้ปฏิบัติจึงไม่ทราบว่าอะไรเป็นกิเลสอะไรเป็นธรรมสุดท้ายก็ประกอบเอาไปกิเลสในวงความเพียรที่ตนเข้าใจว่าตนได้ประกอบความเพียรนั่นแหละไม่ได้มีธรรมติดมาด้วยแม้น้อยหนึ่งเลยมีการประกอบความภาคเพียรที่เป็นไปไม่ได้เพราะเหตุนี้ให้ท่านทั้งหลายทราบไว้นี่ไม่ได้คุยในปฏิบัติฟัดกันมาเต็มสติกําลังความสามารถชีวิต เป็นเดินตายมาไม่ขาดไม่ฝันไว้จะเลยมาเป็นครูเป็นอาจารย์อีต่างคนก็เสดสันต์ย้อว่าเป็นครูเป็นอาจารย์ให้ในนําสั่สอนมาดังที่ปรากฏอยู่เวลานี้เลยในขณะที่ฟัดที่เหยีย่ยมต่อสู้กับพิเดษเอาเป็นเอาตายแลกกันในขณะนั้นบางทีมันยังแทรกขึ้นมาได้ ตอหน้า ต, ต่อตาเราทั้งๆติดกำลังประกอบความเพียรอยู่นั้นว่าหนักมากไปทรมานมากไปเกินไป <c oughs> แทนที่จะให้กิเลสตายตัวเองจะตาย <c oughs> ตัวเป็นคนต่าต้อยเลวทราม ไม่เหมือนมนุษย์มนาทั้งหลายจึงต้องมาได้รับความดับสั้งางการดัดทั้งดางอยู่ในสถานที่ที่ใครไม่พึงปรารถนาเช่นป่าเช่นเขาดังที่อยู่เวลานี้นี่มันแทรกขึ้นมาเหล่านี้เราอยากเข้าใจว่าเป็นธรรมเป็นเรื่องที่ยิเงใหญ่ที่ตามแทรกเข้ามาจะฉุดลากเราออกมาจากสถานที่ที่เหมาะสมสถานที่ที่ปราดทั้งหลายท่านได้ชัยชนะสถานที่ที่ปราดทั้งหลายท่านต่อสู้กับยิเงใหญ่สมานทั้งหลาย สถานที่ที่ท่านได้ชนะบริสุทธิ์พุโทโธขึ้นมาที่เล่จะถุดลากออกมาจากสถานที่นั้นเข้าสู่ในเงื้อมมือของมันแล้วเหยียบย่ําทําลายเราไปเป็นประจํามันจึงแทรกขึ้นมาด้วยอาการกระซิบกระซาบและเป็นความรู้สึกอย่างนั้นซึ่งถ้าไม่มีสติปัญญาทันกับมันแล้วต้องคล้อยตามและล่มละลายไปได้โดยไม่ต้องสงสัยนี่ที่กล่าวมาทั้งนี้เพิ่งทราบว่านี่แหละเล่เหลี่ยม อันแหลมคมของกิเลสมันแทรกอยู่กับความภาคเพียนแทรกอยู่กับธรรมธราเกิดขึ้นไม่ได้เพราะเหตุนี้ในขณะที่บังคับจิตให้สูงวงแห่งความเพียรเพื่อความสงบใจมันก็สงบไม่ได้เพราะถูกกิเลสถูดลากไปตามอารมณ์ของมันเสีย จ, จิตจงนาทางด้านปัญญาก็กลายเป็นสัญญาอารมณ์อันเป็นเรื่องของกิเลสไปเสียจะ ก, ก้าวออกช่องไหนเดินออกทางใดมีแต่ ฝากแต่น้นาที่กิเลสไปปักเสียบไว้หมดให้ก้าวไปไม่ได้สุดท้ายก็ถอยกลับความถอยกลับเป็นเรื่องของกิเลสล่า ก, กลับคืความก้าวหน้าเป็นเรื่องของธรรมก้าไม่ออกเพราะคนมายาของกิเลสมันมีความฉลาดแหลมผมมากกว่าอุบายสติปัญญาของเราที่จะก้าวเหยียบข้ามไปตามขวากตามหนาที่มันปักเสียบเอาไว้นั้นได้จึงต้องยอมจำนน <c oughs> แล้วกรรมาตายอยู่ในกล่องทูก วันหนึ่งคืนหนึ่งนับดินฟ้าอากาศฟ้าแดดดินลมต้นไม้ภูเขาลูกเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสนับไม่จบไม่สิ้พนพันนาไม่จบไม่สิ้นสัมผัสสัมพันอยู่ทั้งวันทั้งคืนนำไปคิดไปปรุงยุ่งเหยิงวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาหาความสุขไม่ได้ทำไมจึงไม่เสร็จหลับสิ่งอนี้นเป็นของมีมาประจำโลก ม, มีอยู่องไงก็มีอยู่ตามเรื่องของเขาแต่เรามันจิตใจของเราเพราะอำนาจแห่งความคึกขนองของกิเลส มันถุดมันลากให้ติดให้พันให้ดูดให้ดึงกับสิ่งที่เคยได้หินได้ยินได้ฟังมาถ้าจนจําเจนี้ว่าเป็นของใหม่เรื่อยๆไปถ้าเป็นอารมณ์ของกิเลสแล้วจะอาเด็ดอร่อยสําหรับคนโง่ที่สุดอย่างพวกเราถ้าท่านผู้มีความฉลาดแล้วจะมีความเขยดหลาบกับความสัมผัสสัมพันธ์ในสิ่งนั้ น, น, นด้วยการบวกลบคูนหารแต่ตรองด้วยสติปัญญาของตนที่ควรจะรู้เท่าทันก็ให้รู้เท่าทันกันไปปล่อยวางกันไปสิ่งที่ควรเขยดหลาบ ก็เขลียร์ลากันไปไม่แต่ต้องฟาฝืนกันอย่างนั้นจึงเรียกว่านักปฏิบัติกําจัดกิเลสสมานซึ่งมีอยู่ภายในหัวใจของเรานี้ออกมาได้โดยลําดับเราจะได้เห็นความพ้นทุกข์และเห็นโทษของกิเลสไปโดยลําดับลําดาและเห็นคุณค่าของธรรมขึ้นไปเป็นขั้นๆตอนนี่นักปฏิบัติเป็นอย่างนั้นจึงถูกตามทางของศาสดาเรื่องความสะดวกกายนัสะดวกสําหรับนักปฏิบัติสําหรับพระเรา เพราะอะไรไม่มีขนขวายศัทธา ญ, ญาติโยมเขาพร้อมเสมอที่จะสนับสนุนไม่ว่าที่อยู่ที่อาศัยปัจจัยเครื่องสนับสนุนเพื่อความเป็นอยู่ในเจตนาของเขานั้นเพื่อความสะดวกในการประกอบความเพียรของพระแต่เรามันกลับกลายเป็นความสะดวกสบายเพื่อกิเลสจะได้ฝังจงอยู่ภายในจิตใจและพอกพูิตัวเองขึ้นเกียรย่ำทาลายจิตใจไม่มีเวลาบกบางบ้างเลยเพื่อความสะดวกแล้วก็เกียรตคร้าน ลมื้อดลืมตัวไปความลืมเนื้อลืมตัวนี้เราทราบทราบไหมว่าคืออะไรถ้าเป็นหน้าปฏิบัติต้องทราบนี่แหละการประกอบความเขียถ้าคผู้ต้องการถอดถอนจิตเลศต้องเป็นอย่างนั้นต้องคิดต้องอ่านอะไรอะไรต้องคิดต้องอ่านเสมออยู่เฉยเฉยใช่ไม่ได้ถ้าติปัญญาหมูต้มแกงกินไม่ได้สอนเพื่อหน้าที่ของสติปัญญาก็คือถอดถอน สิ่งที่เป็นค่าสุดแต่ตนออกโดยลำดับเท่านั้นนี่วันหนึ่งคืนหนึ่งดูกันไปนับกันไปเดือนนั้นเดือนนี้ปีนั้นปีนี้ได้ประโยชน์อะไรมันมีอะไรบ้างเดือนอยู่ที่ไหนปีอยู่ที่ไหนเอาหาดูสิเป็นเมื่อเป็นตัวเป็นตนที่ไหนมีแต่มืดกับแจ้งที่ผัดสัมผัสสัมพันธ์อยู่กับทางตาของเราตอนนี้มืดแจ้งมืดแจ้งก็มีอย่างนี้มาตั้งแต่กลับไหนกันใดตื่นไปไหน แล้วความจมอยู่ในกิเลสที่มันบิด บ, บังคับอยู่ตลอดเวลานั้นทำไมไม่คิดทำไมไม่ตอ่อเพศของสมณะเป็นเพศที่ไต่ตรองไม่ใช่เป็นเพศที่แบบแบบหมุกขึ้นเขียงลอมสับลอยำอยู่เท่านั้น <c oughs> นี่ต่างองค์ต่าง ม, มาจากทั้งทางใกล้ทางกายมุ่ ง, ง, ง, ง, ง, ง, ง, ง ม, มาประพฤติปฏิบัติแล้วทำไมตรอการประกอบความเพียรดูมันจะเหลวไหลไปโดยลาดับตรมดา ในเรื่องใแล้วเพราอจะประกอบความเพียรค่ากิเลสกลับเป็นกิเลสค่าตนเสแล้วทั้งๆที่ทยังไม่ได้ประกอบง่ายลงซะแล้วจะหามรรคผลนิพพานมาจากไหนอานาจของกิเลสมันมีมากเราก็หักห้ามจิตไม่อยู่เพราะความเพียรมีน้อยหรือความเพียรล้มละลายไปในขนะเดียวกันขณะเดียวกันแล้วจะได้ชม สมาธิสมบัติคือความสงบเย็นใจได้อย่างไรไม่ต้องกล่าวถึงปัญญาสมบัติที่ปราดับทั้งหลายได้ชมนั่นเลยเพียงสมาธิสมบัติความสงบของใจก็เป็นไปไม่ได้แล้วเราจะหวังความสุขความเจริญจากอะไรในแดนโลกธาตุนี้มีอะไรเป็นสาระสําคัญที่พอที่จะพึ่งพิงหรืตายใจได้นอกจากเรื่องเกิดเรื่องตายทับถมกันอยู่มี่ั้งกับตั้งกันหาเวลาว่างเล้นไม่ได้ตลอดสถานที่หาที่ตรงที่วาง ว่าไม่มีปา่าช้าเป็นไปไม่ได้เลยเพราะสัตว์บุคคลเต็มอยู่แผ่นดินนี้ทั้งในน้ําทั้งบนบกมีป่าเป็นปา่าช้าได้ทั้งนั้นเพราะตายซ้ำๆสักๆตายแล้วตายเล้วตายทับถมกันอยู่ตลอดเวลามาตั้งแต่กลับไหนกันเหนสถานที่ใดเป็นสถานที่ประเสริฐเลินโลกหาป่าหาปา่าช้าไม่ได้นอกจากความบุญพ้นไปเสียเท่านั้นเราจึงจะได้ปล่อยกังวล ในเรื่องความหมุนเยนเปลีป่ยนแปลงก็เรื่ความเกิดความตายซึ่งหาแต่กองทุกไปโดยลําดับในภกชาตินั้นๆเราจะหวังว่าความสุขความเย็นใจจากอะไรแล้วอยู่กับอะไรเวลานี้อยู่กับ้าตุธาตุจะแตกอยู่แล้วเรายังไม่เข้าใจอยู่เหรือวัตถุอันใดก็ตามสิ่งใดก็ตามมันขึ้นชื่อว่าสมมุตินี่จะหาที่ยั่งยืนดืนยืนตัวไม่ได้มีแต่จะพังสิ่งนั้นไม่พังเราก็พังต่างอันต่างจะพังด้วยกัน แล้วอาศัยกันได้อย่างไงไว้ใจได้อย่างไรแล้วเราไม่เชื่อดังพระปุษยอย่างกุพุทธเจ้าเราจะเชื่อใครเชื่อจีเล ก, ก็เชื่อมานานแล้วนี่ได้ผลอะไรบ้างวันหนึ่งคืนหนึ่งเดือนปีหนึ่งที่เรานับเอานับเอานับเอ า, เอาได้อะไรจากการนับกันนับลมนับแล้งกันไปอย่างนั้นให้มันเห็นประจักษ์ภายในเกียรติมันร้อนร้อนอยู่ที่นี่ฟาดฟันกันลงที่มันร้อนนี้ยาเข้าใจว่ามันอยู่ที่ไหน พิเรดอยู่ที่ไหนความรุ่มร้อนอยู่ที่นั่นความทุกข์อยู่ที่นั่นสติปัญญาย่างลงไปที่นั่นความเพียรย่างลงไปที่นั่นถ้ามันแตกกระจัดกระจายลงไปความเย็นไม่ต้องถามจะอยู่ที่นี่ไม่ได้อยู่กับบ้านคืนปีเดือนเมื่อแจ้งสว่างที่ไหนๆกันละเรื่องความทุกข์ทั้งหมดมันรวมอยู่ที่ใจร่างกายนี่กับเป็นส่วนย่อยของจิตเสียไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่โตอะไรความเจ็บไข้ได้ ป่วยเจ็บหัวตัวร้อนแม้ถึงลมถึงตายมันก็ไม่ได้เป็นข้อหนักแน่นเหมือนกิเลสที่สร้างกองทุกข์สร้างฟืนสร้างภัยเรารวมจิตใจนั้นเลยอันนั้นเป็นกองทุกข์ที่มากและยืนนานที่สุดไม่เหมือนธาดขันธ์เรนี้ซึ่งปรากฏขึ้นชั่วงระยะการแห่งโรคภัยทั้งหลายแล้วก็ดับไปแม้ไม่ดับมันก็แตกสลายไปชั่วงระยะการดังนั้นใจกิเลสฝังใจนี้มันฝังจริงๆทุกข์ฝังจริงๆเพราะกิเลสพาให้ฝังทุกข์จรงต้องฝังกิเลสเป็นผู้ผิดทุกข์ เมื่อกิเลสจะงมีมากมีน้อยทกุก็ต้องมีมากมีน้อยตามวิเ็กไม่อยู่ที่ไหนให้ขุดค้นลงที่นี่ที่นักปฏิบัติหรือวาไม่มองเห็นอะไรนอกจากธรรมซึ่งเป็นที่ตายใจได้ขอให้พ อ, อยาเสียดายชีวิตความเสียดายชีวิตความอิหนาละอายใจต่อความเพีย ประโยคต่างๆนั่นให้ปึงทราบว่าตัวมารเกลียด ส, สมานมันแทรกมันแทกมันแทกตั้งหน้าตั้งตาต่อสู้มารเหล่านี้ม่อย่างนั้นจะไปไม่รอดเนะ่ยมาอยู่กับครูบาอาจารย์ก็มาอยู่ก็เป็นการเตรี่ยมเวลาเท่านี้ไม่ได้กีนาังถาวรอะไรเลยเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นสมมุตริร่างกายที่อยู่ด้วยกันนี้ ไม่แยกเวลาเป็นก็แยกเวลาตายวันใดการหนึ่งแน่นอนไม่สงใจยนี้เวลามาศึกษาอารมก็ควรจะตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติประโยคพยายามให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเมื่อจากครูบาอาจารย์ไปก็จะได้แนวทางนั้นไปประพฤติปฏิบัติตัวเองเวลานี้กำลังของธรรมที่จะพอเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้มีความร่มเย็นเป็นสุขมันไม่มีพานาใจแล้วจะเอาอะไรไปเป็นหลักเป็นจริง อ๋อไปก็เป็นเรลี่ยวๆหลายๆล้มๆคันๆไปอย่างนั้นได้ประโยชน์อะไรอัน <c oughs> ไม่มีที่ไหนเลยเห็นชาติอยู่ในใจกิเลสกับใจกิเลสกับธรรมเท่านั้นถ้าผู้มีธรรมจะได้ทราบกันความทุกข์ไม่มีที่ไหนเราจะไปเข้าใจว่าอยู่ตามโลกธาตุกว้างขวาง เบืองวางมันอยู่ที่หัวใจเพราะกิเลสอยู่ที่นี่ขุดลงไปที่นี่ฟันลงไปที่นอะไรมันขัดมันขวางตัวขัดขวางนั่นแหละคือตัวกิเลสขัดขวางทางี่ทถ้าทำแล้วไม่ขัดไม่ขวางม่ทำความทุกข์แค่แก่ผู้หนึ่งผู้ใดเรื่องของกิเลสทั้งนั้นพาให้ไ้รับความทุกข์ความลำบากนี่กับพยายามไม่ให้มีการมีงาน ให้เพื่อนประกอบความภากเพียรด้วยความสะดวกสบายวันหนึ่งวันหนึ่งก็ยี่สิบสี่ชั่วโมงทำไมจึงมองดูาภาณกนจิตดวงเดียวเท่านี้ไม่ได้เรื่องเลยล้วมองไปที่ไหนมันก็ทราบโดยชัดมไม่ได้มองไปที่จุดที่ควรจะแก้จ ะ, จะไขแต่มองไปจุดที่ควรจะจ ะ, จะที่จะสั่งสมกิเลสนั่นเองนั้นถึงไม่ได้เจออาจเจอทำแม้ความสงบก็มีไม่ได้เพราะไม่ส่แสดงหาความสงบ ด้วยความจริงใจด้วยความมีสติมีปัญญาด้วยการฝึกท ร, รมานอย่างแท้จริงทำไปนิดหน่อยก็ทะเลาไหลประจำเรื่องคงกิเดสไปเสียมาเลยไม่ได้เรื่องได้รับอะไรสุดท้ายก็ให้จิเลดหลอกซ้าหนึ่งไปอีกไปไม่ไหวแล้วถ้าไปไม่ไหวเป็นยังไงถอยดีกว่าเท่านั้นเองอะไรอะไรเมื่อกล้าไม่ออกแล้วก็ถอยดีกว่าและดีกว่าดีกว่าไม่คํานึ่งคือว่าคําถอยการถอ ย, ถอยมันดีดังอย่างไร ถอยก็ถอยเข้ากวาดเข้าน้าเข้าคืนเข้าไฟให้เผาลุ่นตัวเองนั่นมันไม่ได้คิดนีนเ่เรื่องอุบายของจเจเล็ตมันหลอกพวกเรามันหลอกอย่างนี้ถอยไปไหนทุกอยู่ตรงไหนฟัดมันลงไปตรงนั้นสิถ้าเป็นนักปฏิบัติอา้ามันจะเป็นปืนเป็นไฟอยู่ทั้งคืนก็วันนี้จะไม่นอนจะดูความร้อนของใจนี่มันร้อนมาจากอะไรถือความร้อนเป็นจุด เ, เ, เป็นเป้าหมายแห่งการพิจรารณาเมื่อจิตมันหมุนตัวอยู่ที่นั่นแล้วมันก็ไม่ได้คิดออกไปข้างนอก มันก็ไม่ได้สั่งสมสมุทยัยการพิจารณาในจุดที่มันร้อนค้นหาเหตุหาผลนความร้อนของมันเกิดมาจากไหนก็ค้นอยู่ที่จิตนั้นมันก็เป็นเรื่องผองของมากจุดท้ายความรุ่มร้อนมันก็จางไปจางไ ป, างไปหายไปไม่รู้ได้ชัดไหนอ๋อหายไปเพราะเหตุนี้นี่การพิจารณาความเปลี่ยนทีรณาอย่างนี้นี่มาอยู่กี่ปีกี่เดือนน่ามาได้เรื่มได้แล้วเหมือนกับทำของอุ้ยเก้าเป็นโมคฆะสอนคนให้เป็นโมคฆะ เป็นสานะสําคัญก็คือกิเลสเท่านั้นจึงกอ่อโกัวแต่กิเลสแทนที่จะพยายามตักตวงเอาทําตามความมุ่งหมายที่มาศึกษาจากครูจากอาจารย์เงยไม่ได้เรื่องอ่ะมากเขามากเข้า ม, าามันเหลวีวมันไหลไม่ได้เรื่องได้ราวยัวเยียวยัวเยียโยเยียมองไปไหนเต็มกับภาพเต่ เ, น, เนียนยัวเยียเยีย่ย เงี้ยเหลียวหลๆทั้งนั้นถ้าลงพ่อเยอะเยาะแล้วงานอะไรที่จะสําคัญยิ่งกว่างานแก้กิจเดินไปไหนก็ดูมันจะหินเป็นยังไงถึงมาต่อสู้ถ้าต่อสู้คือการพิจารณาการกําหนดอยู่เสมอคือถ้าต่อสู้การปล่อยให้จิตลอยลมไปตามนาดของที่เด็มันเป็นวิธีท่าต่อสู้อะไรมันเป็นวิธีให้มันล่าขึ้นเขียงทั้งนั้นน่ะ นีครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ล่วงโอยไปล่วงโรยไปผู้จะแนะนำสั่งสอนเป็นอัดเป็นธทำเ้าหลักเอาได้ยานแล้วหลักไม่เกณฑ์ก็จะไม่มีแล้วเราเองก็ตั้งหลักตั้งเกณฑ์ขึ้นในตัวไม่ได้ถ้าจะหวังพึ่งอะไรหวังพึ่งใครไปศึกษาลงครูบาอาจารย์ก็หวังพึ่งท่านด้วยอุบายแต่หวังพึ่งตนด้วยความเพียรของตนนั่นถึงถูกต้อง ท่านสอนไว้ในวงกรรมฐานนั้นเป็นเรื่องเล็กน้อยเรลือนั่นคือดาบอันแหลมคมฟาดฟันกิเลศทั้งนั้นเราจะเข้าใจว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นของไม่สําคัญเหนอบวชที่แรกอุปชาท่านสอนเมื่อเกซาลุมานะคะาคาหนตาตะโจเป็นต้น่ะมันเป็นเรื่องเล็กน้อยเหนือแล้วหลงอะไรเดี๋ยวนี้ถ้าว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่หลงผมหลงขนเล็บฟันหนังเนือ้อเหล่วนี้เราหลงอะไร ทานโลกหลงนี่ทั้งนั้นเดี๋ยวทหลงพ่อไหลพ่อขี้เล็กมันหลอกว่าเป็นของสวยของงามของกีลังถาววรว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นหญิงเป็นชายเป็นเขาเป็นเราทั้งทั้งที่สิ่งในธรรมชาตินั้นหาเป็นอย่างนั้นไม่มันไม่ได้เป็นมันเสกเอาแล้วก็หลงความเฉดสันต์นยอ่อความจอมปองของขีเล็และอย่างจมเลยนี่ก็เลยเห็นมาเกียร์สารลมานักข า, างกาต่โจเป็นของไม่สําคัญเข้าไป นั่นก็เป็นเรื่องสําคัญเฉพาะเรื่องของพิเรนเรื่องหลงคิดตามพิเรนเท่านั้นเพื่อความแยกแยกจะจึงต้องดําเนินตามหลักที่ท่านสอนนี่เพื่อคลี่คลายลงถึงความจริงเนี่ยเรียกว่าดาบฟันลงไปจนถึงความจริงขุดค้นลงไปจนถึงความจริงดูที่จะดูผมก็ดีผมผลก็ดีเล็บฟันหนังก็ดีดูให้มันละเอียดละอ่อนแล้วละละจะซึมซาบเข้าไปหมดทั้งวงภายในตลอดตัวถึงไม่ว่าจะมีอะไรอยู่ในนั้นมันจะเห็นเป็นความจริงไปหมดมาเห็นเป็นความจริงแล้ว สิ่งเล้านั้นคืออะไรมันก็ทราบชัดว่ามันตอมความยึดมั่นถือมั่นจะเคยยึดมามากน้อยอย่างไรมันไม่สำคัญขอให้สติปัญญาอย่างลงถึงความจินตาหลับธรรมของพี่เจ้าที่ทรงส อ, งสอนไว้แล้วเถิดมันจะถอนตัวขึ้นมาทั้งหมดไม่มีอะไรเหลือภายในใจเมื่อถอนภาระออกจากใจหมดแล้วจะเป็นอะไรมันก็สุขขนานั้น สงบสบายพิจารณาอะไรก็ไม่ได้เลือกไม่ได้เลือกตัว่จะล้มจะตายตัวจะเทุกข์จะลําบากการต่อสู้ทึ้นจากการต่อสู้ถ้าลงไปคํค า, า, น, า น, น, น, น, คนึงถึงความลําบากลาบนอยู่แล้วตายเห็นนักมวยต่อยกันบนเวทีจะไม่มีคํานึงถึงเรื่องความลําบากลาบนเลยในขณะนั้นมีแต่ความหวังชนะ มีแต่วังช่องมังโอกาสที่จะนอกคู่ต่อสู้ให้พังลงไปเท่านั้นแม้เช่นนั้นยังแพ้ได้กเดีนี่เรายังจ ะ, จะแบกหามกัาความทุกข์ความลำบากความยากความท้อถอยแอนเข้าไปในวงการเปลี่ยนด้วยแล้วมันก็มีแต่ถูกนอกถูกนอกไปเท่านั้นเองนั่งกษัตริย์แต่ว่าเป็นพิธีเป็นกิริยาแล้วกิเลสมันไม่ใช่เป็นพิธี มันเป็นกิเลสจริงๆไม่ว่าจะอาการใดของกิเลสแสดงตัวออกมามันเป็นกิเลสทั้งมวล น, นั่นแหละร้อยเอร์็น้อยอร์็ไม่มีบินเลยพอความเพี่ยนเราจะทันมันได้อย่างไงพอจะเริ่มความเพลียนก็ให้กิเลสมาเตะมาถีบมายันให้ล้มละลายไปเสียความเพียงเลยไม่ได้เรื่องนี่ทินี่มันทำให้อิหนาและอาใจยสยาหรับผู้แนะนำสั่งสอน การกี่ ก, ก่อนที่จะมาสั่งสอนก็แทบลบแต่ตายมาแล้วดังที่เคยได้พูดให้สั่งอยู่เสมอพูดนั้นพูดเพื่ออะไรถ้าไม่ใช่พูดแนวทางให้เป็นกติกาผู้ปฏิบัติด้วยความตั้งใจได้ดำเนินตามตรงนั้นพูดเพื่อโอ้เพื่ออวดหาประโยชน์อะไรพูดตามหลักความจริงวิธีการต่อสู้ขี้เล็ดต่อสู้อย่างนั้นอย่างนั้นหนักเบาขนาดไหนเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นไหน เวลากำลังของกิเลสมันหนาแน่นมันต้องเลยเอากันหนักทีเดียวมันกว่าว่ามันเบาบางลงไปกำลังของกิเลสมันอ่อนลงไปทางธรรมก็สามารถแก่กล้าขึ้นหนามันก็เบาลงพูดถึงเรื่องกำลังของกิเลสก็เบาลงกำลังของความเพียรสติปัญญาเราก็สามารถขึ้นโดยลําดับลำดับจนกระทั่งเลยคุยเขี่ยหานะ่ะตังสิไม่ใช่มันมีจะมีกั็ เป็นกองพลอยู่ตลอดเวลาเมื่อถูกทําลายมันก็ต้องขาดลงไปขาดลงไปลดน้อยลงไปลดน้อยลงไปเมื่อน้ำมันเหลือน้อยก็ต้องหลบซ่อนมาอาถฐานไม่ได้ทางไม่หมดทิพหายไปหมดมันก็ต้องหลบซ่อ น, นถ้ากิเลสมีกำลังน้อยมันก็ต้องเห็นได้ชัดความเพียรต้องแก่กล้าสามารถมันเป็นอยู่ในจิตดวงนี้ผิดขึ้นมาได้สติปัญญา ติปัญญาเป็นเจ้าของของจิตฝึกจิตได้หรือว่าเป็นเครื่องปราปรามพิเดชซึ่งครอบนำจิตให้แต่กระจายไปได้โดยลำดับตรรดาต้น น, บนีบืนไม่ได้มีแก่ใจที่จะบืนรุสาพยายามแย่็กน้อยแก็ถอยไปเสียถอยไปเสียเราจะเอาการเอาเวลา เอาคาหนักเบามากีดกั้นทางเดินอย่างความเปลี่ยนของเราหากเป็นอย่างนั้นจะไปไม่รอดเราต้องเอาเหตุเอาผลเอาความมุ่งหมายเอาความมุ่งมั่นเข้ามาเป็นตัวประกันมุ่งมั่นที่จะให้รู้ให้เห็นให้หลุดพ้นนะความเปลี่ยนหนุนไปตามความมุ่งมั่นไม่คํานึงถึงเรื่องความลำบากลำบนเพราะการต่อสู้เดินก็จะผ่านความลาบากลำบนไปไม่ได้ เทียบทันทีเมื่อความลําบากทางความเพียรเกิดขึ้นความลําบากของกิเลสที่ทรมานเราเป็นยังไงเราต้องเอามาเทียบทันทีไม่อย่างนั้นไม่ทันกันจิตใจถ้าไม่สงบมันหาโลกอยู่ไม่ได้นะอยู่ไหนมันก็ร้อนแต่หมดอะไรจะมีเท่าภูเขาเราวกามันเกาะเป็นกองอ น, นั้นัอนนั้นสิ่นนั้นที่นนั้นอยู่นั้นน่ะมันไม่สามารถที่จะมาทําความสุขให้เราได้ ถ้าจิตไม่ทําความสุขแต่ตนด้วยความเพียรใจเองเพราะตัวที่มันทําให้เกิดทุกข์มันอยู่ที่ใจมันไม่อยู่ที่วัตถุสิ่งต่างๆสมบัติเงินทองเป็นต้นมันไม่ได้อยู่ที่นู่นมันอยู่ที่นี่มันจึงทําลายได้ทั้งคนมีคนจนคนโง่คนฉลาดตามโลกสมมุติอยูแต่ถ้าเป็นคนฉลาดโดยหลับธรรมแล้ววิเศษตั้งลดน้อยถอยลงไปจนกระทั่งสิ้นซากไปหมดไม่มีเหลือ นั่นแะ ก, กองมหาสมบัติอันใดหลวงอยู่ที่ใจที่ไม่ต้องไปหวังเพึ่งพิงอะไรพอตัวอยู่กับนั่นเสร็จถึงนั้นก็รู้แล้วว่านั่นเป็นนั้นนั้นเป็นนั่นนั้นเป็นนั้นมันเกาะเกี่ยวกันหาอะไรต่างอันต่างปินต่างอันต่างรู้ต่างเข้าใจกันแล้วก็ปล่อยวางไว้ตามความจริงแม้ที่สุดร่างกายที่อาศัยกันอยู่นี้ก็สักแต่ว่าอาศัยกันอยู่เพียงชั่วระยะการทํานันไม่ได้หวังที่จะเพึ่งพิงมันไปตลอด เัี่ยวกับเครื่องมือที่เราอาศัยมือใช้ได้ก็ใช้กันไปมันหมดสาระที่ควรจะใช้ได้ต่อไปแล้วก็ทิ้งแต่มาแบบมาหาไม่ทำใหม่ร่างกายทุกส่วนมันก็เป็นเหมือนเครื่องมือเป็นเหมือนเครื่องอาศัยชั่วระยะการเท่านั้นมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันเป็นอาการแต่ละอย่างละอย่างของมันเท่านั้น <c oughs> จิตก็เป็นจิต <c oughs> ไม่พึ่งพิงไม่อาศัยไม่บกพร่องพอที่จะไป เอื่มนั้นเอื่มนี้ยิดนั้นยิบนี้จิตพอตัวจิตก็ปล่อยอยู่ตามหลักธรรมชาติของตนเพราว่าะตาเห็นอตโนนาโถเป็นที่พึ่งของตนได้<ม>ก็พูดได้ทั้งภาคปฏิบัติทั้งความสมบูรณ์ของจิตได้ผลอืมช่วยตัวเองได้แล้วเนี่ยพอตัวแล้วไม่พึ่งตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนไม่ไปสนใจ ยี่งกว่าความจริงที่ประจัดกับจิตนี่โดยสมบูรณ์แล้วพอแล้วเป็นอย่างนั้นไม่คว่ยคว้ามีผลในการประกอบความภาคเพียนเป็นอย่างนั้นทำของผู้ได้เจ้าก็เป็นทำสกสดส้นร้อนอยู่แท้แทําไมถึงจะมาล่าสมัยสาหรับพวกเราถ้าพวกเราไม่เป็นคนที่ล่าสมัยกด้เองทำล่าสมัยก็คือผู้นั้นแหละผู้ล่าสมัย ไม่สามารถที่จะนำทำเข้ามากำจัดกิเลสได้ปล่อยกิเลสให้มันล้ำสมัยเข้าไปเหยียบย่ำทำลายเข้าไปไม่ลดละความทุกขานัา้นบากไม่มีกำหนดกดเนไกณฑ์เวลาเรียบทใดว่าจะลดน้อยถอยหลงไปเลยเพราะกิเลสไม่เคยคําว่าพอแล้วไม่เคยมีในกิเลสมีแต่บึกเบืนต่อเหยียบย่ำทําลายไปเรื่อยเยเหมือนไฟได้เชื้อคําว่าพอแล้วของกิเลสไม่มี แล้วเราจะเอาความพอดีจากที่เด็ดที่ตรงไหนเอาความสุขจากมันได้ที่ใดไม่มีถ้าม่เอาความสุขจากธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่มีประมาณมีเหตุมีผลมีกฎมีเกณฑ์ีเท่านั้นจึงจะเป็นไปได้เอาขุดลงไปที่กาหนดอะไรก็เอาฝากเป็นฝากตายตรงไหนนั้นความรู้ให้ยั่งลงในจุดที่ทำงานนั้น สมมติเรากำหนดอนาปานาจิลมหายใจเข้าออกก็ให้รู้อยู่เฉพาะลงอยาไปเสียดายคับสิ่งใดซึ่งเคยสัมผัสสัมพันธ์มาแล้วผู้สัมผัสสัมพันธ์ก็คืจิตที่เองไปคิดไปปรุงไปหลอกหลอนตัวเองว่านั้นเป็นนั้นนี้เป็นนี้่เสียดายดูดดื่มไปกับอารมณ์หลอกลวงตัวเองไม่มีเวลาจบสิ้นพอจะนั่งภาวนาก็ถูกมันถูกมันลากไปความตรุงมันมันเป็นความหิวความอยากอดีดเด้งขึ้นมาที่ใจ เป็นภาพเป็นโพดขึ้นมาแล้วก็หลงไปตามภาพตามโพดหลงตื่นเงาตัวเองนั่นแหละในขณะนี้จะให้อยู่กับงานเช่นอนาปาณสติในวงปฏิบัติเพื่อความสงบ ก, ก็ให้อยู่ตรงนั้นให้รู้อยู่กับลมเข้าลมออกไม่ยอมให้ไปไหนและไม่หวังผลอะไรด้วยทั้งโล ก, โลกธาตุนี้เหมือนไม่มีมีเฉพาะความรู้สึกกับงานที่ตนทําเช่นลมกับความรู้เท่านั้นไม่มีเท่านั้น หากำหนดทำบทใดก็ให้มีแต่ทำบทนั้นกับความรู้นั้นเท่านั้นเหมือนโลกไม่มีไม่เสียดายกับอะไรเลยผลไม่ต้องถามขอให้เหตุสืบเนื่องกันไปติดต่อกันไปโดยไม่ถามว่าถามตอนเถิดยินธรรมะความสงบซึ่งมีแต่ชื่อ น, นั้นก็จะปรากฏขึ้นที่ใจดวงนั้นนี่วิธีการทำทำอย่างนั้นพูด <c> ถ <oughs> ึงเรื่องปัญญาก็ การเวลาใดที่ควรจะพิจารณาทางด้านปัญญาก็บังคับกันเช่นเดียวกันไม่มันทะเลสาไหลไปได้บิงขึ้นวิ่งลงเที่ยวท่องเที่ยวอยู่ในกรรมฐานห้าเนี่ยเวสาโรมานาะคาะตันตาตะจูหรือในรูปประขันนี้ในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันนี่มันท่องเที่ยวอยู่างนี้หรือจะเทียบออกข้างนอกก็เทียบได้เรื่องเกิดจากเก็บตายมีได้ทั้งภายนอกภายในแล้ววกเวียนกลับไปกลับมา เทียบสัสดเทียบส่วนกันรลงในหลักความจริงด้วยความบางังคับจิตด้วยสติด้วยปัญญานี่คือการทํางนานที่ถูกต้องที่จะให้รู้ให้เห็นการทำทั้งหลายอันเป็นความจริงของจิงจะปรากฏขึ้นที่ใจผู้ทำจริงนี่แหละไม่ไปที่อื่นสอนก็สอนแล้วจะเต็มเม็ดเต็มหน่วยสอนแล้วสอนหล่อจนเหน็ดจนหนื่อยกําลังวังชาก็ลดลงโดยลำดับลาดาบสูบวันนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วประชุม นึกอบรมท่านเนแต่ละครั้งละครั้งรู้สึกได้ตั้งเป็นประโยคพยายามพราะถ้าเป็นไม้ประโยคบอกมันหนักกำลังเราน้อยต้องพยายามยกขึ้นจะให้าการลุมแนะนำสสอนมือเพื่อนแต่ละการเวลานี้ก็ต้องหนึ่เหมือนกับว่าได้ยกขึ้นพยายามยกขึ้นหนักก็พยายามยกขึ้นเป็นอย่างนั้นจะแล้ถึงวันนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนเพราะเครื่องมือมันไม่อำนวย เพื่อนจึงควรสนใักรรมที่แนะนำสั่งสอนมากน้อยเป็นความแน่ใจว่าไม่ผิดทั้งด้านสมถะและด้านนิพพานาจิตใจมันรู้แจ้งแทงทะลุในความจริงทั้งหลายดูจะเป็นอย่างไรใจดวงนี้ซึ่งมันเคยงูเง่าเต่าตุงมมันเคยอยู่ต้อหนาจของจิเดชบีบบังคับมา แล้วได้นดีด ต, ตนออกจากสิ่งานี้เสียทั้งหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วเป็นอิสระความเป็นอิสระของจิตประเภทนี้จะเป็นอย่างไรมันผิดกับอิสระทั้งหลายที่เขาพูดกันในโลกนี้ไหมไม่รู้ดิจะไม่มีอะไรเหมือน อ, อิสระของจิตที่ไม่มีสมมติใดๆเข้าเกี่ยวข้องเลยจะเป็นอิสระอย่างไร ไม่เคยเห็นก็ตามเมื่อเจอเขาแล้วเป็นที่ประจักษ์หายสงสัยทันทีเวลานี้สิ่งที่มืดเนิสปิดตาทั้งหลายมันครอบหั้อยใจใจจึงแสดงอำนาจแสดงความแปลกประหลาดอาศัศจรรย์ขึ้นมาตามหลักธรรมชาติของตนไม่ได้เพราะสิ่งจอมปลอมทั้งหลายมันปิดมันห่มห่อจึงกระดิกตัวไม่ได้กระดิกออกมาอาการใดมีแต่จิเด็ดพายกระดิกไม่ใช่ทําพาให้กระดิก พาคิดให้ปุงเวลานี้เรากำลังอยู่ในภาวะเช่นนี้องพยายามตะเกียบตะการ้าอยากเห็นความประเสริฐแดนประเสริฐหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายภายใ น, ในใ จ, ใจิตใจตลอดถึงพบชาติต่างๆที่จะแบกหามทุกติดตามกันไปในระยะต่อไปนั้นจะขาดจะบ้านลงจากที่จิต ด, ดวงปัจจุบัน ตัดขาดจากเชื่อทั้งหลายแล้วนี้เท่านั้นไม่มีที่อื่นที่ใดจะเป็นของแปลกประหลาดจะเป็นของอศัศจรจะเป็นสิ่งที่ตัดสินกันลงได้แล้วอย่างแน่ชัดยิ่งกว่าใจที่ตัดสินจากพิเนษทั้งหลายได้แล้วอย่างแน่ชัดไม่มีอะไรที่จะยิ่งกว่านี้ในความประเสริฐก็ดีอยู่ที่ตรงนี้ขณะที่พิจารณาทางด้านปัญญาก็ให้กรองเข้าไป จะเป็นอสุผะอสุพังก็ให้ดูข้างนอกข้างในเทียบเทียมกันตามความจริงความจริงยาฝืนความจริงแยกแยะกันนั่นเป็นนั่นนี้เป็นนี่ยิตดูไปจิตกระเพรินไปแล้วความเพลินในจิตขนาดนั้นไม่ได้เหมือนความเพลินในจิลิความเพลินในการพิจารณานี้เป็นความเพลินในธรรมจิตใจจะค่อยเบาลงไปเบาลงไปทั้งเกิดปีติก็มีบางครัง้งบางคราว พลนทองสยองเจ้าในขณะที่พิจารณาเห็นความจริงของมันในส่ว น, นร่างกายเนื่อต่างๆเทินอยู่นั้นกำหนดพิจารณาพังทลายลงไปทั้งๆที่มันยังไม่แตกไม่พังกําหนดเวลามันทํามันเป็นยังไงเวลามันแตกมันเป็นยังไงกิเลสหลอกมันทำไมหลอกได้เราจะพิารณาแก้ความหลอกหลอนจำปองของกิเลสด้วยการพิจารณาทิ้นอสุภะอสุพังก็ดี มันแตกเรื่ ง, รงสลายทําลายเป็น น, นิจการมตรุกขาหน้าตาพอดีซึ่งเป็นทำแก้ความจำเปอนไปแท้ทําไมจะผิดไปากําหนดดูเวลามันแตกมันสลายเป็นยังไงพอความรู้สึกนี้ได้พ้นจากร่างนี้ไปเสียเท่านั้นร่างกายนี้ก็เหม็นสูงทั้งท่อนแต่สูงทั้งท่อนมันไม่เหม็นไม่ปฏิกูลในร่างกายนี้ตัวปฏิกูลโสโครกไม่มีอะไรเกินร่างกายมนุษย์เหม็นครุ่งไปหมดนี่เราก็ดู ตอนนี้ก็พิจารณาอย่ง น, นั้นก็พังทลายลงไปเปื่อลงไปหน่าลงไปกำหนดลงไปดูลงไปนี่เวลามันแตกมันไปนอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นั่นเรียกว่ากลางตาข่ า, คายคือยานปัญญายานนี่ข้าวไว้หมดออกกันั่งกันลงไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟแล้วใจเป็นยางไงใจก็เป็นความรู้ที่เด่นชาต อยูอย่างนั้นไม่ได้ไปเป็นดินเป็นน้ําเป็นลมเป็นไฟเป็นความรู้อยู่เช่นนั้นเหตุใดสิ่งเหล่านั้นจึงจะมาเป็นเราเป็นของเราได้ไม่ใช่อันเดียวกันจะแทนเห็นได้อย่างชัดน้ําก็เป็นน้ําลมเป็นลมไฟเป็นไฟเหตุใดจึงมาถือว่าเป็นเราเป็นของเราเอามาบวกกันทําไมอย่างหน้าด้านว่างั้นที่สอนเจ้าของอยิ่งเลตุถให้หน้าด้านนี่ว่ายิ่งเหตเนั้นตัวหน้าด้านเนี่ยอเอามาแหลกลงไป พิจารณาแล้วพิจารณาเล่าถือเป็นการเป็นงานจริงๆไม่ต้องกําหนดกฎเกณฑ์ว่าหลายครั้งหลายผลกี่เที่ยวตลกทบถวนเอาจนเข้าใจความเข้าใจเป็นของสำคัญเข้าใจจนกระทั่งมาอิ่มพอในความเข้าใจรู้แจ้งเห็นชัดในสิ่งเหล่านี้แล้วไม่ต้องบอกมันต่อเองทั้งการพิจารณาทั้งความยุดมั่นถือมั่นมันต่อเองไม่มีใครบอกก็ปล่อยก็เมื่อลูกแจ้งเห็นชัดหมดแล้วจะไปพิจารณาอะไรอีกเนี่ย แล้วจะไปยึดไปถืออะไรกันอีกมันรู้แล้วเวลาที่ยึดก็เพราะความไม่รู้มันถึงได้ยึดเพราะฉะนั้นการพิจารณาจริงเพื่อจะให้รู้เพื่อจะถอนความมั่นถือมั่นที่เรียกวอุปาทานออกมาทั้งรูปประคามเวทนาพญาวังขาบิณญานขันมันมีลักษณะเช่นเดียวกันเป็นเพียงว่าหยาบละเอยยดต่างกันเท่านั้นอาการเหล่านี้มันเป็นสมมติมันไม่ใช่ตัวจริงเพราะนั้น เลยพิจารณาชัดเจนตรงนั้นนะมันจะหนีจากจิตได้ยังไงมันก็ต้องเข้าไปตรงนั้นเพราะไม่มีอะไรจะสัมผัสสัมพันธ์เนื่องจากได้รู้ได้เห็นได้ละได้ปล่อยวางทั้งหมดแล้วด้วยปัญญาทันใดที่มันสัมผัสสัมพันธ์มันก็ต้องตามมันที่สัมผัสสัมพันธ์หรือดู ด, ดื่มนั่นเลยความ ด, ด, ดื่มตรงนี้จะมีอยู่ที่จิตเท่านั้นไ ม, ไม่ว่ารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสไม่ว่ารูปเบชนาปัญญาสังขังนวิยญาณจะหมดความดื่มดื่มเพราะรู้แจ้ง่างนชัดไปหมดแล้วนะั่จิตมันรู้เองอย่างนั้น ทิ้งที่จิตจะถือเป็นเป้าเป็นหมายเป็นที่ยึดหรือเป็นที่พิจารณาก็มีแต่ความรู้นะมันจะกําลังจะเข้าจิตระเบิดกันแล้วลเบิดพบระเบิดชาติเบิดวัตถจิตให้กายเป็นวัตถจิตขึ้นมาในจุดที่จิตรู้อยู่นั่นแหละใล้จิตปัญญาก็ย่างเข้าไปตรงนั้นพิจารณาขี้คายกันไปแยกแยกกันมาในเช้นเดียวกับสภาวธรรมส่วนอื่น โดยถืออนิจจังทุกขังนันตาเป็นที่รวมลงเพราะสมมติทั้งปวงอนิจจังทุกขังนันตาเป็นภาชนะสำหรับเป็นที่รวมลงอย่างสมมติทั้งมวลลงที่จุดนั้นไม่ไปไหนเมืม่อยังมีสมมติอยู่มันไม่เป็นตรรักน์มันจะเป็นอะไรไม่ต้องพิจารณาไม่คาดกาหนดจ ด, ด, ดจดต่อลงไปให้เห็นความจริงขึ้นมาเองไปคาดก็ขิด มันเข้าถึงความจริงของมันแล้วมันก็แตกกระจายเท้งนั้นภพชาติจะมาจากไหนก็รู้ได้ชัดนะเนี่ยคำว่ายากยากงานใดก็ตามมันไม่ได้เป็นงานที่ยุ่งยากลำบากลำบนทรมานที่สุด ตลอดถึงเอาชีวิตเขาแล้เขาเป็นตัวประกันยิ่งกว่างานต่อสู้กับกิเลสด้วยการภาวนานี่ยเลยเพราะเรื่องวัฏฏะนี่เป็นเรื่องใหญ่โตมากความหมุนเวียนความเกิดแก่เจ็บตายในภพน้อยภพใหญ่เป็นเรื่องใหญ่โตมากกิเลสพาให้เป็นในการที่จะรถอนกิเลสอันเป็นตัวภพชาติที่พาให้เกิดแก่เจ็บตายนี่ เ, เป็นของที่ทําเล่นๆไม่ได้ต้องเอาให้จริงให้จริงเอาให้ขาดสะบ้านลงในปัจจุบันนี้ พระพุทธเจ้าท่านหลุดพ้นจากทุกข์ท่านหลุดพ้นอย่างไงพอเราหลุดพ้นจากทุกข์นี่เท่านั้นก็ไม่สงสัยพุทธเจ้าอ๋อหลุดอย่างนี้เองพ้นอย่างนี้เองอพุทธะแท้คืออะไรพระพุทธเจ้าองค์เอกแท้คืออะไรมันก็รู้เองก็คือองค์เอกอันนี้แหละนั่นนอกจากนั้นก็มีแต่เรือนร่างเท่านั้นเป็นถ้ากายก็เป็นเรือนร่างของพุทธะที่อาศัยอยู่ท่าสาวกอรหัตรหันต์กี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านองค์ก็จะสงสัยไปที่ไหน รู้แบบเดียวกันเห็นแบบเดียวกันความจริงเท่ากันอาจจะพูดประเสริฐก็ประเสริฐแบบเดียวกันถสงสัยไปไหนสิ <c oughs> นั่นเมื่อถึงขั้นมันหมดสงสัยชิ้นสงสัยแล้วก็ต้องชิ้นอย่างนั้นันเรียกว่าสาังทิตีิโกเห็นเองรู้เองไม่ต้องไปถามใครอยู่แหละอันนี้อย่างที่ท่านแสดงว่าในตาลามสูตร ไม่เชื่อตำหรับตำลาไม่เชื่อจานรัวจารย์ที่ควรเชื่อได้อะไรอันนี้อันนี้เป็นทาขั้นสูงอยู่มากแต่ส่วนมากเราจะเข้าใจเป็นทำขั้นสอนการมา อ, าอการมาชมชนพวกมาพปนั่นเป็นธรรมดาธรรมดาของมจริงธรรมนี้เป็นธรรมที่สูงอยู่มากทีเดียว ทันหมายเพ่งทําอันนี้คือให้รู้ประจักตัวเองนั่นฟังจากบระจ้ามาจะเอาความเชื่อจากพระเจ้ามาเป็นมาผลนิพพานของตัวเองมันก็เป็นไปไม่ได้ท่านสอนนั้นเป็นความจริงสำหรับท่านแต่เมื่อเรายังไม่เห็นอันนี้เรายังไม่จริงนะพอมาเจอกันจะย่างประจักษ์แล้วนี่น่ะจริงไม่เชื่อใครทีนี้เชื่อตัวนี้ถนับยิ่งกว่าเชื่อใครๆทั้งนั้นแม้พระพุทธเจ้าก็ทรงสอน สอนเข้ามาที่ตรงนี้ให้เชื่ออย่างนี้ให้รู้ให้เห็นอย่างนี้แล้วก็เชื่อเองนี่แหละกาลามาสุจึงเป็นธรรมที่สูงมากทีเดียวคููตามธรมรมชาติแล้วเมื่อตามสมมุทตุทั่วไปหรือในขั้นผู้ทั่วไปแล้วไม่เชื่อครูอาจารย์จะเชื่อใครผู้ควรเชื่อได้ก็ต้องเชื่อสิไม่เชื่อตอนนระหนักตำราเราเรียนมาทําไมส่วนขาเราทที่ตัดไว้ชอบตัดไม่ชอบแปดหมื่ธรรมขันนี้เป็นธรรมที่ชอบทั้งนั้น ไม่เชื่อเรานี้จะเดินได้ยังไงก็ก็ต้องเชื่ออันนี้เดินไปตามนีน้แต่บทสุดท้ายแล้วให้เชื่อตรงนั้นให้เชื่อตัวเองเพราะทำเรานี้จะส่งเข้าไปสู่จุดนั้นจุดเพื่อเชื่อจุดเชื่อตัวเองพอถึงนั่นแล้วก็ปล่อยหมดธรรมะแปดมือธรรมะธรรมขันธ์รวมลงเป็นจุดเดียวเชื่อตรงนั้นด้วยตัวเองนั่นที่แสดงไว้นในกาลามาสุลงเจุดนี้เอง นั่นคือพระพุท่ายังภาษาลิบุตรท่านพูดนั้นมันพูดถึงเรื่องธรรมที่คนเชื่อตัวเองแม้แบบพระพุทธเจ้าเราก็ไม่ได้สนใจที่เชื่อพระองค์เราเชื่อเราเองนันว่างันจนพระปุริชทั้งหลายไปฟ้องร้องพระพุทธเจ้าว่าภาษาลิบุตรเป็นมิจฉาทิอืิหยดย่าทำลายศาสนาหรือดูถูกดุหมิ่นพระพุทธเจ้าอืพระองค์ทรงทราบทันทีแต่เพื่อจะเอาเหตุเอาผลจากภาษาลิบุตร ที่เจจากดวกตาบอดของหลวงนั้นก่อนเรียกพระสั่งรับสั่งให้พระสายบุตเข้าเฝ้านะครับสั่งถามรับเป็นอย่างนั้นยินใช่ไหมเนยใช่ข้าระองค์เชื่อพระพุทธเจ้าก็เชื่อะแต่เชื่อเพื่อเข้ามาสู่จิตที่จะเชื่อตัวเองนี้เนี่เมื่อถึงที่นี้แล้วข้าพระองค์หมดปัญหาไม่เชื่อใครเชื่อธรรมชาติอันนี้เออถูกแล้วสายบุตรนานฟังเลยนี่แหละที่เราในแสดงไว้กาลามาสุหมาจึงปตตจังเวทตววินดูหิและสันทิกิโก รู้เองเห็นเองเนี่ยเหนือภาคปฏิบัติเท่านั้นที่จะเข้าสู่จุดนี้ได้ปริยัติก็เป็นแนวทางสอนเข้ามาเดินตามปริยัตเดินเข้ามาด้วยการปฏิบัตินี่ปฏิเวทก็จะเข้าใจโดยลาดับลําดับจนกระทั่งรู้แ จ, จ้งแจ้งทะลุก็โดยตลอดทั่วถึงเนีย่ยว่าเชื่อตัวเองไม่ร้อยเปอร์เซ็นแล้วไม่เชื่อใครเชื่อตามหลักธรรมชาติเชื่อตามหลักความจริงที่มีที่เป็นอยู่กับตัวเองนี้นั่น พูดที่จะทรงทําเหล่านี้ได้ก็คือต้องปฏิบตัติมีกิตตภาวนาเป็นสําคัญรพราะว่าเจ้าแต่รู้โดยการปฏิบัติภาษาวบรรลุธรรมด้วยการปฏิบัติมาดิบรรลุธรรมด้ว ย, วยเพียงแค่ความจดจําเฉยเฉยแต่บรรลุด้วยการปฏิบตัติแม้การฟังเทศก็เป็นภาคปฏิบตัติภาคหนึ่งเหมือนกันไม่ได้วกว่าการปฏิบตัติทั้งหลายนี้ไม่ดีเป็นอันดับหนึ่งด้วยซ้ําแต่สำหรับเราเองขนาดว่าภาคปฏิบัติ จากการฟังโดยครูบาอาจารย์ทั้งหลายซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในทางสิสมาธิปัญญามีมุดหลุดพ้นแสดงนี้เป็นท่าปฏิบัติอันเยี่ยมกว่าการปฏิบัติโดยลำบากตัวเองเป็นไม่ไหนพระไม่ต้องไปปับไปปรุงไปแก่ไปไขไปหุงไปต้ ม, มท่านตรุงให้มาเทียบหมดเราพอจะดื่มกินดื่มกินดื่ ม, ม, ม, ม, มกินเท่านั้น นี่หมายถึงท่านพูดถ่ทีแจแยงด้วยเหตุด้วยผลตามความรู้จริงเห็นจริงของท่านจริงๆไม่ผิดท่าแต่การแสดงก็มีหลายอย่างนะฮุมขึ้นอยู่กับผู้แสดงเป็นสําคัญถ้าผู้แสดงรู้อัดรู้ทำภูมิใดก็จะแสดงภูมิอัดภูมิทำนั้นได้ชัดเจนเช่นภูมิสมาธิก็อธิบายสมาธิได้ชัดเจนภูมิปัญญาขั้นใดก็ออธิบายภูมิปัญญาขั้นนั้นได้ชัดเจนภูมิสูงสุด ของปัญญาแล้วอธิบายได้อย่างแตกฐานเต็มอัดเต็มทําเต็มเหตุเต็มผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่มีสงสัยถึงขั้นมีมุตตุพ้นไม่มีอัดมีอัน้นท่านแสดงได้อย่างเต็มภูมิเพราะท่านเป็นผู้ทรงมาแล้วที่มีมุตโดยสมบูรณภ า, ายในใจแล้วท่านจะไปรูปคำคำอย่างไงท่านต้องพูดออกมาอย่างฉาฉานตามหลักความจริงที่รู้อยู่เห็นอยู่ภายในองค์ของท่านเองแล้วนั่นแหละ ขอให้ทุกท่านประพฤติปฏิบัติให้มีความเห็นภัยเสมออย่านอนใจสิ่งอะไรก็ตามยาถือเป็นของสาคัญยิ่งกว่ากิเลสที่มันฝังใจอยู่แล้วนี้ที่จะแก้จะถอดจะถอนป่าปรามมันมันขึ้นข้าวประจักษ์ใจนี้เป็นสิ่งสาคัญมากแต่นั้นไม่สําคัญเพียงอาศัยอาศัยวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นอาหารการบริโภค ปัจจัยต่างๆสี่วันพบงที่อยู่ที่อาศัยเพียงได้อาศัยไปเพื่อการประกอบความเพียรและความสะดวกขอให้ความเพียรสะดวกเถิดอะไรสะดวกหมดตรงนี้เป็นสําคัญอะไรจะสะดวกจะสมบูรก็ตามถ้าความเพียรไม่สะดวกแล้วไม่เป็นท่าอยิดอันนี้เป็นหลักไปอย่างอาหารสําหรับมาต่อวันตานี้มันเหลือเฟือพอแล้วเท่าที่จะปฏิบัติมาเพราะทํานั้นมัก จ, จ, จะเจริญรุ่งเรืองจากจิตใจ ของผู้ปฏิบัติโดยวิธีบดบกพ่องพ้องขาดขาดเขินเขินเฉี้ยวเฉียวอดอยากขาดแคลนผู้ใดๆทำแม้วค่อยเกิดในสถานที่สมบูรณ์ทุนผลด้วยปัจจัยสี่จให้ดีครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านพานินมาอย่างนี้ท่านอาจารย์มั่นท่านอาจารย์เสาเป็นต้นในสมัยปัจจุบันนี้ปัญหาอยู่กับที่อดอยากขาดแคลนโดยไม่สนใจกับสิ่งนั้นไมาจะมาเป็นอุปสรรคอะไรเลย แต่มุ่งเพื่อการประกอบความภาคเพียรด้วยความสะดวกสบายท่านต่างหากท่านจึงหาอยู่ในที่เช่นนั้นอุญญากขคาแฉนท่านไม่สนใจขอให้ทําสมบูรณ์ภายในใจการประกอบความเพียรไม่ขาดมากขาดตอนเป็นที่สะดวกสบายนั้นเป็นที่ต้องการสำหรับท่านนะปฏิบัติด้วยความพ้นทุกข์แม้ท่านพ้นทุกข์ไปแล้วท่านก็ถือเป็นอุญญาติสาอีกด้วย่อําทำให้กังวลกับกุตุปใจไตรยธรรมทั้งหลายเพียงอาศัยในวันหนึ่งวันหนึ่งท่านจะอยู่สะดวกสบายในระหว่างขันธกิจในสถานที่ที่เหมาะสม เช่นนั้นท่านนั้นท่านเป็นที่พอใจจนถึงอายุขยัยของท่านจะไม่ดีแต่ที่ไม่พูดเสมอแต่วันหนอาหารามากๆเราไม่มีตัววิจารณ์ก็จะทํางานมันเป็นเองนั่นเป็นเรื่องของศัตรูญาติเดียวกังเขาเขาต้องการบุญเจตนาคนละประเภทเขาไม่ผิดเราไม่ผิดถ้าเราปฏิบตัติตัวเราถูกถ้าเราปฏิบตัติตัวเราต่อสิ่งที่ไหนแล้วนั้นไม่ถูกเขาถูกแต่เราผิดเป็นไปได้ให้รู้เราจะให้ ปากให้ลิ้นมันแรงทำมันเดินลํำหน้าทำอะไรก็ตามรถอะไรก็ตามสู้รถทำไม่ได้อยากให้ลิ้นมันแรงทำได้อยากให้ท้องให้ปากมันเหยียบย่ำทำลายทำรู้ตัวเสมออาหารประเภทใดเมื่อมันเป็นไปเพื่อความสะดวกสบายในการประกอบความภาคเพียรของเราเนี่ยสำคัญมากอันนั้นละดี เราอย่าไปหลงตามโลกตามสารอาหารเพลินนั้นประณีตบรรจงอันนี้ทําช้าเล็วทำนั่นเป็นเรื่องของโลกโลกที่จบกรบตกภายในจิตใจต่างหาืที่เลสมันลหลอกแต่ถือว่าเป็นเยี่ยมถือว่าเป็นประณีตบรรจงความกินมันจบ ก, กับตกในหัวใจของสัตว์อืแต่ใจที่สะอาดอันใดที่เป็นอาจเป็นธรรมอาหารประเภทใดที่มันเป็นไปเพื่อธาตุขันได้รับความสะดวกสบายไม่กาเริกเกิดสารแม้จิตใจได้รับความสะดวกสบายในการต่อกรความเท่าเทียม น, นั่นแหละทีอาหารสัตว์ตายะให้ถือว่าจุดนั้นนี่คือธรรม เรื่องการสมมุตินิยมเอาแน่ไม่ได้รลาวยาขามาจีดขวางรวงใจเราจะหาทำเกิดที่ใจไม่ได้การเทียจทาําก็ต้องสวนตอนนี้